เืมุสาไนโกหกแต่พระสงฆ์กโกหกได้นะอาจามาเคยเห็นนะโกหกทําไมจึงว่าโกหกโอโกโกโยมเนี่ยหน้าดําหน้าเพื่อทําคนเข้าใจกันศิลนสองร้อยยี่สิบเจ็ดกว่าตำสิ้นสามร้อยกว่าตำสิ้นสิบสิ้นแปดสิ้ห้ากว่าตำรวมมาที่จิตใจทรรมนั้นตัวพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมสามปีเดียก็รวมมาถึงที่ใจธรรมการศึกษาที่ใจนี่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและทุกคนทําได้อย่างหนี้เลยจะทําให้ซื้อเสียงหรือจะทําให้ซื้อเสียซื้อเสียกับซื้อเสียถามเลยรบ้างจริงทาให้ซื้อเสียงดังขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเจะซื้อเสียคือที่ใจมันเสียไปมันเน่าเหม็นเปียกเจะอยู่ข้างในเราไปมึ่งหวังแต่นันเดือนมุ่งหวังแต่ให้คนยกย่องไปอันนั้นมันเสียไงมันเสียมันเสียเกียด ในทางพุทธศาสนาเราไม่ได้วิวัตพัฒนาถึงจิตใจเรามัวไปพัฒนาตั้งแต่ภายนอกต้องการหางานให้คนทำต้องการให้คนทุกคนอยู่ดีกินดีแก่อยู่ดีกินดีใจมันไม่ดีเรามุ่งวัดปร า, น, านัันมากทุกวันเลบัด น, นี้อันนั้นอัตจะมากก็ไม่ห้ามแต่มันดีแล้วแต่ว่าอยากให้มาเอาทางนี้ครเรื่องจิตใจไม่แล้ว เอาเรื่องจิตใจได้แก้ปัญหาตัวนี้แล้วอันนั้นมันเป็นผลถอยได้อย่างที่เราทำจังหวะได้ก็เหมือนกันมันเป็นผลถอยได้ผรมสมุกมาทิกมือขึ้นรู้สึกตัวเนี่ยเอาไว้ท่อนี้รู้สึกนั้นควมมือลงมารู้สึกควมไม่รู้อยู่ที่ไหนเห็นไหมไม่เห็นเลยควมไม่รู้ไม่ไม่เห็นเลยแต่ควมรู้สึกที่มีไม่มี อ๋อโยมทำคาปั้นเนี่ยทำมาส่รู้สึกตัวเองอ๋คิดตารู้สึกความไม่รู้อยู่ที่ไหนหาไม่มีเกการา ก, า ก, ากา็ศึกษามาได้แค่ก็บทําได้ควมรู้สึกในความไม่รู้ทําไม่ได้เมื่อมีความรู้สึกมากๆความไม่รู้มันจะคลอยไหลหนีไปไหนหนีไปเหมือนกับเมฆฝนเมฆฝนมันตกหยุดตามภูตามเขาไกลๆจะตกลงปับ๊บเดี๋ยวจะซึมซึมลงไปสู่ทะเลให้หมดเลยดังนั้นการกระทําทุกอย่างมันจะลงมาขุ้นใช้ใจทางนั้น ลงมาหาจิตใจทางนั้นแต่เรามาทําตัวนี้มันจะกระจายไปได้ทั้งหมดเลยเมื่อกับทางสายเอทางสายเอเทวะยังไงทางถนนใหญ่ใจที่ทางมีทางมารวมกันได้ไหมทางาสายเอกครับ <ะ S 1> หรือเช้นนั้นมารวมที่นี่มารวเอออันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามาจับความเคลื่อนไหวนี่แล้วเนี่ยมันจะมารวมความเคลื่อนไหวตัวนี้ทั้งหมดแกใจมันมองไม่เห็นนะต้องมาศึกษาความเคลื่อนไหวตัวนี้เลย คิกมือลู่สุดตัวขั้วมือลู่สุดตัวเบี้ยมันกิดจากคิดสา ก, กับลู่สึกเข้ามาหายใจกับลู่เข้ามาใจมันคิดก็บลู่ขึ้นมาทันทีเลยเบี้ยนี้เราไม่รู้รู้แต่รู้คิดมันไม่เห็นกับคิดดังนั้นจังว่าให้มาศึกษา ก, กับคุณลููสึกอันนี้มันทําได้เนี่ยทุกคนทําได้เนี่ยเพราะมันรู้สึกตัวเนี่ยพอดีมันคิดกระจายเห็นจะรู้ทันที เมื่อถูกเห็นถูกรู้แล้วผมคิดมันจะหยุดไปหรือมันไม่หยุดก็จะไปยุ่งกับมันตำลาอันนี้ถามถามเพื่อนหลายคนถามผู้ที่เรียนมาแล้วเป็นหมหาป ร, ริญญาคุณคะวะ่าอริยสัจสี่กับสัจจีประทานสี่คืออะไรถามคนคนละอั น, นะครับ่าสัจจีประทานสี่กับอริยสัจสี่โอ้เราไม่รู้ตํำลา เดี๋ยวนี้คนมาไปติดตำหนาเลยไม่ได้เอาของจริงไปพูดกันสติประธานสีเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาขวาเรื่องสติประธนอริยสัจสี่าอรสจี่วาุกสมุทัยนโลดมากุกกาหนดรู้สมุทัยต้องละ มั่ต้องเจริญนิโลธทำให้แจ้งเลยเขาพูดอย่างนั้นเขาเขาเรียนมาแบบนี้ทุกต์กำหนดรูน้นะแต่บางคนนอนไม่หลับรู้จนเข้าไปเป็นอุปทานนักศึกษาเรียนมาได้ปริยาตีปริยาโธปริยาเอกมาหลายคนเคยมาหาหลวงพ่อมาถามคุปนอนไม้หลับเลยกำหนดรู้ทำไมอย่างนั้น ทุกก็จะว่ากําหนดรูสมุทัยต้องหลัเนี่ยไม่รู้สมุทยัยตัวสมุทัยคือตัวคิดตันเองอาจจะมามาอยู่ที่จังหวัดสยนต์ภูมเนี่ยมาบอกว่าดูที่ดูใจนะเบิ้งใจนะเอ า, าก็ตีนคนจังหวัดสยนตภูมิไม่รู้เนี่คนไทยแท้ๆพูดภาษากันนุชเต้ไม่รู้เลยเขาว่าแหนมแหนมมางจากเครื่องบินใส่จริงกันโอ้พวกนี้เหมือนว่าแหนม เราว่าดูกับผลักขมกับเจออันเดียวแล้วก็เลี๋ยวเอาเอาใจดูแนแนวใจเราคิดๆเขาก็เลยรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาจะมามาสอนกับมาถาอยู่ที่นั่นนานต้อรู้ดังนั้นชื่อว่าภาษาคําพูดนั้นอย่าไปติดกันมากเกินไปเอาความจริงมาพูดกันกคือการเคลื่อนไหวนี่มันเป็น พ, พุกเราไม่เห็นด้วยปัญญาณอาตมาเข้าใจอย่างนี้ คิดตาหายใจเป็นทุกข์มันเป็นก้อนทุกข์ทำไมส ม, มุทยต้องละคือตัวคิดมันคิดเนี่ยออกนอกตัวเราไปเราไม่เห็นไม่ดูไม่คิดไ ม, คไม่คํานึงมันคิดไปผลของมันออกมาก็คือทุกข์นั่นเองเนี่ยต้องควรละมาันให้รู้มันจริงๆเรื่องนี้ถ้าไม่รู้เหมือนแล้วมันจะสร้างขึ้นมาเป็นภาพทุกข์เอาคอทุกศลมาให้เราจริงๆ มักต้องจเจริญเนี่ยมักก็คือมาดูจิตดูใจทําลมรู้สึกตัวนี้เองเนี่ยมักต้องจเจริญทําอันนี้ให้มากเนี่ยเป็นการภาวนาแล้วกันี้เป็นภาวนาภาวนาไมยะปัญญาแล้วกันเนี่ปัญญาจะมีมาที่ตรงนี้ น, นี่โน้ทาให้แจ้งมันเนี่ยทาให้แจ้งเนี่ยคือนิโรธนะ้นไปในนี้พี่แจ้งแจ้งอะไรแจ้งตัวเอง แจ้มจิดแจ้งใจตัวเองนี่เองไม่ใช่ว่าแจ้งตัวหนังสือแจ้งตัวตำราถ้าใจตีตกหน้าที่เท่านั้นตัวหนังสือเท่านั้นไม่ได้แจ้งขนาดคําว่าในโลดเราทําให้แก้มแจ้งในตัวเองนี่เองแก้มจิดแจ้งใจตัวเองมันนึกมันคิดมันดีมันชั่วมันต้องแจ้งที่ตรงนี้จึงว่ะต่างเก่าร่วงภาวะเดิมได้จริงจิงคนเคยกลาบผีตัวเองเนี่เคยกลาบผีตัวผี มันนี้ไม่ต้องผัวผีไม่ต้องกาบผีแล้วมีแต่จะบังคับผีเท่านั้นไม่ให้ผีเข้ามาใกล้เลยกาบเทวดาไหว้เทวดาให้เทวดามาอยู่ที่เราแต่ไม่รู้ว่าเทวดาอยู่ที่เราแล้วก็ยังไม่เห็นแล้วมันจะได้ทําใหม่เหมือนกับไก่อัไรเนี่เข็ดราคาดีไม่ถดูเทียดทิ้งไปคนจึงชอบลืมตัวมุ่หวังแต่อยากไปพัฒนาที่นั้นที่นี้ไม่เคยพัฒนาตัวเอง ดังนั้นพวกเรามาที่นี่ต้องพัฒนาตัวเองพอสมควรแล้วไปพัฒนาคนอื่นก็ได้พอตัวเองพอใช้แล้วแต่ทุกคนเหมือนกันถ้า พ, พระเจ้าท่านสอนเอาไว้ดีแล้วเราทั้งหลายเราคู่เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลาย จงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี่เสมอเมื่อประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่เราไม่ทําตามเลยเราก็ไปรักษาศีลไปทํำคนสงบเนี่ยแต่ไม่รู้จักว่าศีลคืออะไรไม่รู้เลยมันเป็นอย่างนั้นไงจังหวะอยาเตือนกันศีลสองร้อยสามราก็ตามมันมารวมที่ใจนี่เอง ใจนี่สําคัญเมื่อเรารู้เท่าทันเหตุการณ์ของจิตใจแล้วสิ่งสองร้อยเป็นผลพลอยได้สิ่งสามร้อยเป็นผลพลอยได้ทําความรู้สึกเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้กับความเห็นแจ้งเรื่องวิปัสสนาต่างเก่าร่วมภาวะเดินเองมันเป็นผลอันนั้นคลอยได้มาจากข้อถามอันนี้จนเหตุมันอันนี้ผลมานั้นได้มาเหตุมันยุติธรรมเราไม่รู้จักเหตุมันเลยก็ต้องเอาใจผลมา อาจจะมาชอบแบบการเจริญอย่างนี้อาจจะมารับรองจริงๆนะเพราะตัวเองทํามาแล้วจะคนอื่นก็ต้องเหมือนกันพี่ถ้าพระเจ้าท่างก็สอนเนี่ยสัพทั้งหลายเราผู้เป็นปฐมาคตไปถึงแนวแห่ง น, นะไปถึงที่ไหนท่านขึ้นเครื่องบินไปไหมทางรนั่งรถยนดดนี่หรือท่านดดนั้นลรถเก๋งไปไม่ไปเห็นเนี่ยโคตอินเดียนนะเห็นไหมเออเราไม่ไปเห็นนะ ท่านจะไปที่ไหนขอกกล่าท่านาาานั่งอยู่ที่นั่นถ้าคุณเจ้าตัดสู่เพราะการทําทางจิตทางใจทุกคนเคยได้ยินอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ติดสุขติดปากกันมาใช่ยังไงแต่การกระทำที่เป็นนั่งให้มันสงบควมสงบแบบนั้น่สงบแบบนั่งแบบไม่รู้นีว่าสงบแบบไม่อยากรู้อนาาุสัมภาระสงบแบบไม่อยากรู้ผมสงบสงบแบบอยากไม่รู้แบบไม่อยากรู้ อันนั้นสงบแต่สงบแบบอยากไม่รู้หรือไม่อยากรู้ผวามสงบนั่นเองความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านสยุดการศึกษาหยุดการหาครูหยุดหาวิธีการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าสงบคนถ้าหยุดแล้วก็สงบใช่ไหมถ้าไม่หยุดจะสงบไหมไม่สงบอ่านี่แหละความสงบคือหยุดนั่นเองไม่ต้องจะไปนั่งมาสงบอย่างนั่งสงบนั้นดีแล้ว ถ้าไทยเป็นนั่งสงบหมทุกคนเอาเมืองไทยใครจะทํามาหากินใครจะหาเงินหาทองใครจะเป็นตำรวจทหารใครจะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองเราได้อันนี้แหละที่อาจจะมาคิดทําไมสอนกันไปอย่างนั้นแต่ความจริงไม่เอามาสอนกันเลยสอนก็นแต่เรื่องตำรามัวไปทมมําความสงบกับตำรามัวไปรักษาถีลกับตำรา เลยไม่ได้มาดูใจตัวเองเนี่ยมันก็สงบจริงอันนก็สงบแต่ว่าใจมันไม่สงบนั่งอยู่ที่นี่จิตใจมันคิดไปห้อยอันพันเรื่องบางทีก็เห็นผี <laughs> เห็นเทวดา <laughs> เห็นอะไรไปกี้ประถะัดเพราะจิตใจของเรามันหลอกเรานี่คนบูราณท่านสอนเอาว่าจิตใจได้ออกกลับได้ไวมันเร็วที่สุดบุตรมีล้านไห้ในตนเราท่านควรบังคับอน ให้จิตหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะเมื่อปล่อยให้หมุนไปในทางข้างชีทิตที่มีก็จะหนีจากนายหายสูนฮะทําทเข้าควบนำพวมและยันสมบูรณ์ขอ้อตี้ออกหลอกตนนี่จะไปเห็นผีที่ไหนเราไม่เห็นผีที่ตัวเราจะไปเห็นดวงแก้วที่ไหนเราไม่ได้เห็นดวงแก้วที่เรามันก็เอามาหลอกเราเท่านั้นเองเนื่องจากไม่เห็นจิตใจนี่เอง ดังนั้นคําว่านิมิตก็คําเดียวกันนี้นิมิตเป็นเครื่องหมายเราก็ไปเห็นอ่อนั้นเป็นนิมิตใกล้ใจเห็นธรรมแล้วมันเห็นจริงอะไรแต่ของที่เห็นนั้นไม่ได้เป็นของจริงเป็นของหลอกรวมดังนั้นคําว่านิมิตจะให้เราเข้าใจว่านิมิตเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจจริงๆริงการเจริญแบบนี้มันจะคนตะยับฟว้งทุกได้จริงจริงอาจจะมาไปอยู่ที่ไหนก็ต้องชอบ เ, อเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้มันเป็นหัวใจของคนกว่าได้เป็นหัวใจของพุทธศาสนากว่าได้หรือเป็นแกนกลางของคนกว่าได้หรือเป็นแกนกลางของพุทธศาสนากว่าได้จะว่ายัางไงก็ได้ตัวศาสนาจริงๆคือตัวทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาตัวพุทธศาสนาคือตัวสติตัวปัญญาของทุกคนนั่นแหละเมื่อมาจเจริญธรรมทุกส่วนทุกจังหวะมันแล้วขุมเป็นเองมันมีเอง ที่มันไหลไปสู่สภาพของมันเองเหมือนกับเม็ดฝนที่มันตกขขอยู่ภูเขาบ้านหลงก็มันเป็นภูเขาฝนตกมันจะไหลลงมารวมคลองในน้อยเข้ามาคลองในงน้อยจะเป็นคลองใหญ่ขึ้นไปมันจะลงไปเป็นน้ําโขงน้ำโขงมันจะไหลลงไปทะเลอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้สึกตัวอันนี้ก็เหมือนรู้สึกตัวนี่รู้ในน้อยรู้พร้มรู้หายรู้ ค, คิปตารู้เอียงซ้ายเอียงขวา ลูกคืนน้ําลายลู่หายใจเข้าหายใจออกเรียวกว่ลู่ผมงิตขึ้นมาทันทีมันจะรวมกันเข้าไปเหมือนกับสายแม่น้ําอย่างที่ว่ากับเหมือนกับทางเอกเพราะทางมันจะไปรวมที่ตรงนั้นจริงๆพวกคนต้องมาที่นี่ไปทางอื่นแล้วแต่ว่าทางการข้างนี่เป็นทางตรงไปจริงๆใครเดินได้แล้วสบายไม่ยกเว้นไม่เป็นของใครเนี่ยเรียกว่าสาปนทุทษยศาสนาจึงสอนคนได้ทุกนุค ท, ทุกสมัย ไม่มีคาว่าพ้าพ en, ุเจ ouais, ้าสอนไม่ได้ใส่ไม่ทันไม่มีแอ่คนไปเข้าใจว่าคนใดเข้าวัดฟังธรรมนะถือศิลจินเจขึ้ขะอะไรครับจะว่าหลวงพ่อไม่รู้เขาบอกขึ้ไม่รู้คใจขึนี่หมายถึงอะไรไม่ทราบมรู้สมัยหรือขึ้ขางข้ไอ๋อเก่าแก่เก่าแรานเขาไม่รู้ว่าไม่ใช่อันสมัยใหม่ อันนี้แหละของจรงเป็นคนซื้อเป็นคนที่ไม่อยู่อันนี้คนครัวอออันนี้อันนี้แหละมันทันสมัยจริงๆพระธรรมก็จะว่าทันสมัยจริงๆนะคำสอนของพุทธเจ้าเดี๋ยไม่ซไม่ทิ้ไม่อะไรนะแล้วมันทันสมัยแต่คนมันไม่เข้าใจมันก็มันไม่เข้าใจแล้วจะไม่ให้เข้าใจทางไหนเพราะมันลืมมานานตืแล้วจังหอัถนนหนทางเครื่องบินรถดวลมันเจริญมันเข้าตาเข้าหูมันกับพัฒนาเจริญ จิตใจก็เลยไม่ได้มาพัฒนามันก็เลยตกต่ำไปเหมือนกับขยะหรืออะไรเนี่ยมันสโกโปกนักเข้านักเข้าก็ไม่มีคนใดมาฟื้นรูเรื่องจิตใจดังมากที่จะก็เป็นนั่งสงบก็นั่นเองนั่เป็น ง, งนั้นพวกเรามาที่อยากให้ฝึกกันเดินไปไหนมาไหนดูบึงใจิตใจมันคิดหลวงพาะว่าดูแลทัางนี้จะว่าอย่างไรว่าดูเหมืนนอมนกัน มันคิดอยากไปถือสามันเพราะมันบังคับมันแน่เอามาคงรู้สุดสุดทุกที่มันลู้สุดเปนคิดมันกรหยุดเข้าหมาทาแค่นี้เองมันจะไปถึงที่สุดของทุกได้จริงจริงรับรองลอยตัวเองขี่สุดของทุกหมายถึงอะไรนเราเคยได้ยินเน่ยพระพุทธเจ้าต้องเข้าสารตายเลยเข้าสารนิพพานนิพพานไม่ใช่จะ เ, เข้าสารดังนั้น นิพพานหมายถึงตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาตัวนี้มันรวมเข้ามาเลยตัวนี้มันเข้าไปถึงจุดนั้นตัวที่รู้อันนี้มันเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วเข้าสานสารไม่แค่หกแต่อย่างที่พูดเนี่ยมันก็ไปทําสารอย่างนั้นอย่างนี้อันนั่นเป็นเรื่องหนึ่งอันที่พูดเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยหนีคนตายไปไม่ได้เนี่ยที่อรหัตมาเคยพูดบ่อยแล้วว่าต้องศึกษาเกียงเนื้อเกียงตัวเอาไวา้ทุกคนต้องไปได้จริงๆ แต่เรารู้เสียวันนี้จะดีกว่าเขาใจอย่างนี้นะ่ะอาจจะมาเดินไปตอนเช้าอันนี้แต่ลูกผมคิดตอนแรงตอนมารู้อันนี้ตอนเช้าโอ้โหไม่เคยมีเลยในชีวิตนี้แต่ทุกวันเนี่ยมันสนุก <c oughs> มันสนุกมันสบายมันพอใจส่วะเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะผมเข้าใจเรื่องนี้เราอยู่ได้กัเพราะเราเข้าใจเรื่องนี้เรากินได้กับเพราะเราเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหม อยูด่ด้วยธรรมยินด้วยธรรมไปมาที่ไหนก็ไปด้วยธรรมนะธรรมะจุติเป็นการตัดสอันนี้เป็นธรรมอนนันหนึ่งนะไอ้แต่ทางใจมันนึกคิดตัวมันจะเข้าไปเองเนี่เ ป, นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะอย่างไรทีแรกมันจะรู้เรื่องรูปของเมื่อรู้สกภาวะเรื่องรูปแบบมันจะเป็นรูปสภาวะหมายถึงวัตถุทุจริ่งทุกอย่างเขาเรียกวัตถุสุโพตะโมหะโลภะนี่เอง สิงนั้นจะลดน้อยเบาไปเบาไปผมยึดมั่นคือมั่นเบาไปเบาไปก็จะไปรู้จักสินที่ก็จะเบาไปเบาไปมันจะเข้าสู่สาภาพเดิมของมันจริงๆเมือ่องางกายได้เข้าสู่สาภาพเดิมของมันแล้วใจมันเข้าสู่สภาพเดิมของมันตัวนั้นแหละตัวคนทุกคนจะหมดลงหายเกาเยกว่าดับชีวิตลงไปเรียกว่าเมื่อไห น, น, นเรียกอุปาทิสติสการนิพานเรือ่องอะไรนิพพานตอนนี้นิพพานคือเนี่ย คำว่ามิตรพานไม่ได้ตายแล้วนะเราควงศึกษาออกมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเราไว้เดี๋ยวนี้ดีอันนี้นหละคนไปเข้าใจตำราว่าพระอะไรเข้าสารจะกับมาเพื่อจะาาตายที่ไหนนี่เข้าใจไหมมันจะไปเข้าร่วมกันได้ทําไมมันก็ดูอ้สภาพมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนนั้นจะหมดลมหายใจก็ต้องไปเราก็ต้องทําของเราสิคนนั้นก็ต้องทําของคนนั้นสิเพราะมันมีทุกคนเนี่ยมันยกเว้นไม่ได้ในเรื่องนี้เนี่ยอาตมารับรอง ทำไมจึงรับรองเพื่อนเขาจเป็นทุกคนเนี่ยผู้ยืนก็เป็นอย่างนี้ผู้ชายก็ต้องเป็นอย่างนี้มีเงินซื้อได้ไหมไม่ได้เนจแสนล้านก็ซื้อไม่ได้เรื่องนี้มีความรู้จบด็อกเตอร์จากพันด็อกเตอร์ได้ไหมไม่ได้ไม่ทําไม่ได้การพูดมื่นคำแสนคำตู้การกระทาไม่ได้คนจนทําได้ไหมไม่ได้คนไม่จนก็ทําไม่ได้ถ้าไม่ทําเอง คนจนก็เป็นเหมือนคนรวยก็เป็นเรียนหนังสือก็เป็นไม่เรียนหนังสือก็เป็นแต่ให้รู้วิธีเมื่อไม่รู้วิธีการแล้วการกระทันนั้นจะพลาดไปจริงๆแค่เข้าใจว่า ก, การกระทันจะพลาดจริงๆนะหลักพุทธศาสนาสอนคนให้คนแก้ปัญหาตัวเองสังคมเป็นผลข้อยได้สังคมเป็นผลขอยได้เหรอเข้าใจอย่างนี้เพราะทุกคนต้องการควมเย็นอยู่แล้วเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกตัว น, นี่มันจะรู้ไปเป็นผลพอยได้ม ก, ม โ, กมโลบกมโขบกมหลงมันจะเป็นผลพอยหมดไปเราจะเป็นผลพอยได้คนเย็นมามันจะได้มาทีละนิดทีละนิดทีละนิดคนนั้นเองดังนั้นอา น, นิสงส์การเจริญสตินั้นตำราพูด แต่อานิสงการทํำคมรู้สึกตัวนี้ภาษาบ้านเราพูดเรียกคนไทยพูดสติคนระลึกได้อัน น, นกับตำราพูดสติคมรู้สึกตัวเนี่ยภาษาบ้านเราพูดอันระลึกได้เอาของไปวางไดยตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปไว้ที่ไหนน้อมาคิดเอาอันนั้นไม่ได้เป็นสติอันนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นศิลุ่ยอันนี้เอาปัจจุบันเท่านั้นเอง อัเอาของไปวางไว้มันลืมไปคิดถึงอันนันโอ้เด็กน้อยเขาไปคิดได้นนเขาจะคิดได้เราไปติดตําหนาเกินไปถ้าพระเจ้าท่านอยู่อดีตอนาคตนั้นอย่าไปตั่งกําหนดเอาปัจจุบันคําว่าปัจจุบันก็หมายถึงมันรู้ทันทีนี้เองมันคิดตารู้ว่ามันคิดไปทั้งเบื้องไหนอย่าไปกําหนดมันมันควบมือลงมาควบเบื้องไหนวิธีนีอย่าไปกําหนดมันเอาเพียงรู้สึกตัวก็พอแล้วเนี่ย จิตใจมันนึคิดขึ้นมารู้เท่าทันมันคิดเรื่องอะไรเม่อกี้ก็ไม่ต้องขคสร้างขึ้นมาเลยอันนั้นมันคิดมีอคว่ำลงไปเนี้ยมันสร้างขึ้นมาแล้วไปยัดมันรู้อย่างนั้นยัดมันรู้มันสร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วมันคิดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาแล้วมันเพิ่มขึ้นมาในรู้จึงว่าคมรู้มีสองอย่างท่านจะอวิชาคือความไม่รู้มันรู้ แต่มันตัดปัญหาไม่ได้ทันเดียวว่ะอวิชชาแต่ว่าไม่รู้ธนวัตอ่ะไปว่าไม่อวิชชาไปว่ารู้ดพุทัินี้มันรู้ไปรู้ไปด้วยมันก็เลยไม่รู้ของจริงได้ก็นัรับเองดังนั้นของจริงในจังหวะอริยตสัจอนิยสัจเนี่ยอาริยสัจอาริไปว่าขั้นสุดนี่เป็นขั้นไปสัจจ์เรียกของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันธนวัตจักรสัจากที่มีของจริงจริงจริงอันหนึ่ ทุกคนอาตมาก็ยอมมีแล้วอย่างนี้มีแต่สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏเท่านั้นเองเพราะเราไปเพาะไม่ถูกสุดเคยเพาะใส่ไก่น้ํำมันก็เลยไม่ซุ้มไม่เย็นกันนางอกขึ้นมาถ้าไปเพาะไกล้น้ํามันจะงอกขึ้นมาทันทีไม่ว่าใครเลยเม็ดข้าวทุกเม็ดอาตมาเคยเตี๋ยวเอาไว้เอไปงอกที่ซุ้มที่เยงอกทุกเม็ดข้าวเจ้าก็งอกข้าวเหนียวก็งอกถ้าเข้าไม่ก้นไม่เตี๋ไม่งอกแต่เพาะไม่งอก ถ้าไม่มีไหนอีกก็ไม่งอกเสร็จเลยถ้ามันไม่อ้วนไม่เต็มพอปันใดปันนึ่งเนี่ยคงหอกก็ได้ถ้าไม่มีในเลยจริงๆเราไม่งอกจริงๆเฮ้ยตั้งใจจริงๆที่นํามาเล่าให้ฟังหนึ่งไม่ปิดบังหนึ่งไม่ใช่เป็นของที่กิจกิจบังได้เหนี่อยหนึ่งเพื่อไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงการทั้งหมดอย่าไปติดตาลามากเกินไปและอย่าไปทิ้งตำลาม ันถ้าไปติดตําลาฝังอยู่กับตําลาแล้วเราจะไม่ได้ดูตัวเรากําลาเอาไว้่อยไว้ที่นั้นแล้วเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการทําคนสงบ ก, ก็จะมารวมจุดนี้ในเองบ้านอาตมาเรียกว่าเข้าวผีข้าวผีข้าไม่มีในกินไม่มีรสเลิศบ้านหลวงพ่อทํานากันทางทางทักษการก็ทํานาเหมือนกัน ข้าวเราไปทางนี้เอาเอาปุ๋ยไปไปเหยียดกันบ้านหลวงพจะเอาข้อติดตีอออกย่างนี้เอาข้อติดตีปลาตุกๆุกติดตีมันมันล่นลงมาแล้วข้าวไม่มีในก็ล่นเหมือนกันวันนี้คนเจ้าของข้าวคนทำนานะ่มันเอาวีเรียกว่าวีใบผัดปัดออกปัดออกเข้าไม่มีอะไมันออกไปอยู่นอกหลานออกหุบนอกไปวันนี้เวลาจะเอาข้าวเข้าไปในบ้านมันกต้องเอาข้าวเอาไม้มาผ้าเป็น เป็นโพงเลยว่าภาพเพงเขานี้ว่าอย่างไงรภาพตรงกลางเลยเป็นเป็นเป็นลูไม่ไม่ไม่ตองเนี่ยมไม่ไผ่ไม่อะไรก็ต า, ามผ่าลงไปเป็นรูตรงกลางนะเข้าใจไหมใชแล้ววันนี่ยเท็จเป็นลูกกิ้งที่ข้างล่างมันเนี่ยเราเอาเอาข้าเข้าไม่มีในเข้าวดี บ, บ้านหลวคนดียข้าวดีเอาใส้นนั้นแก้ไปให้ผีให้ผีเอาอ้านั้นแล้วคนเอาเข้ามีในผีเอาเข้าไม่มีใน่เขาเรียกว่าเข้าผีเข้าผีเข้าไม่มีไน ดังนั้นเราทำบุญก็เช่นเดียวกันเรากินไปข้าวผีข้าวมีในจริงๆเราไม่ได้กินเลยการแสดงทำให้เราฟังจริงๆก็ผลมัน น, อน้อยคือว่าความจริงไม่ค่อยแสดงเอาแต่อาหารไม่หนีรสคันท่าพูดไม่พูดถึงข้าวผีก็ไเ้าเอาแต่ก้างกินดูมาให้คนกินแต่ความจริงคนกินเนื้อมันอาจจะมาพูดนนแนัวแวก็บสุนักกินก้างกินกระดูก คนกินหมน เ, นเนื้อมันอันนี้ก็เช่นเดียวกันการทําบุญก็ตามการรักษาศีลขอตามการทําความเสื่งของตามเราไม่ต้องการกินเนื้อมันเราต้องการกินกระดูกกินข้างมันเป็นเป็นการทําบุญการรักษาถึงก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องการเข้าเนยไงเราต้องการเข้าถือเข้าไม่มีไนย์ดังนั้นมาที่นี่ต้องการให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่กินเนื้อมันกินขึ้นและทุก คนมีสิตที่เอาเข้าวีไหนกจริงจิถ้าหากว่าเราทําถูกต้องแล้วการกระทําคตรดีการพูดโคตดีทุกอย่างดีทางนั้นเพราะมันเป็นเครื่องหมายไม่ใช่หมายอย่างที่สัวตมาเนี่นะไม่ใช่หมายเอาผ้าจีวรมาเนี่ยเครื่องหมายภายในจิตใจมันเรงเห็นอย่างเดียวว่ามีนิดเดียว้ามมันจะเรงพูดด้วยนั้นเข้าแปะน้ำพูดทังนั้นแปะน้ำทันนั้นเอง ดังนั้นที่สุดท้องทุกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี่คือว่าทุกคนมันจะรู้จักสภาพรู้สึกคนสภาพเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาพของมันตอนมันจะเข้าสู่สภาพของมันเหมือนกับไฟฟ้าเรากดปั๊บเสียดแสงมันสว่างเราจะไปจับหลอดไม่สว่างเลยเราต้องกดสวิตช์แบบ น, นี้กดสวิตช์ปั๊บมันไปนสว่างที่หลอดมันจะไปสว่างอันนี้ก็เหมือนกัน เดี๋ยวนี้เราเหมือนกับคนที่ไม่เคยไฟไฟฟ้าเอาไปติดไฟฟ้าไปเปิดไฟฟ้าคนไม่เคยร่วก็ไปหมุนหลอดมันเลยหมุนจนตายแล้วไม่มีแสงเลยเพราะมันไม่เป็นสมุทรฐานของมันคนที่สลัดเขาจะเข้าไปจับซึมพักดเข้าไปดันทีคว่ำตายก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปเตือนนะว่าตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆไม่ต้องเตือนเลยเตือนเลยเพราะมันรู้จักวิธีจับซึมไฟฟ้าอยู่แล้วนี่ มันเป็นยังงเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักไม่รู้จักก็ไปเตือนแล้วคนที่ไปเตือนคนอย่างไม่รู้เองมันจะไปมีสติกันไดอย่างไรคราวหนึ่งอาตมามาที่โรงพรยาบาลจักกกกงกับพยาบานี่มาอบรมกรรมฐานอย่างนี่แหละคราวนั้นอามาเป็นลมเป็นลมเขาเอามาโรงพรยาบาลมาก็มีคนคนหนึ่งเจ็บ ด, ดูมันถูกอะไรเจ็บมาแล้วพยาบาลเขาบอกจะร้องลุงจะล้องยิ่งร้อขึ้นมา พยาบาลเขาไปจัดโอ้จะลองอจะดีดรู้ยิ่งลองขึ้นมาพยาบาลเขาเหนื่อยแล้วเขาแบไม่เอาไม่เอาใจรักษาจะดีดไปดีนมาตกปุ๊บลงตกเตียงเจ็บสองเจ็บเข้ามาแล้วนี่อันนี้แหละคนไม่สั่งเรื่องเจ็บแผลเดิ น, นขัเจ็บแล้วตกล้มขัเจ็บที่ส่วนให้่อาจมาโอ้ดีแล้วมันสอนเนี่ยธรรมชาติสอนมาจริงๆดังนั้นวันนี้จึงอยากขอแนะนำให้พวกเราจับให้มันถูกถูกจริงๆถ้าจับไม่ถูกแล้วเอาเถอะ จะทำกรรมาฐานจ น, า น, จนาตายก็ทำไปเถอะแกไปทําคนสงบจนตายก็ทำไปเถอะมันไม่ถูกจุดนี้จุดนี้ไม่ใช่จุดนั้นนี่แหละลูกคนแกดอกเพศซึิงพิกมือกระรูดติดข้อมือกระรูดติดในต่อคิดตายวันนี้จิตใจมันคิดรู้ติดแต่อย่าเข้าไปในความคิดมันคิดจะปล่อยไปทุกสุขจะไปยุ่งกับมันเอาความรู้ตัวนี้ตัวนี้ทําได้แต่จะไปคุมความคิดจะไปคิดหุมไม่ได้ เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนเขาเรียกว่าอนัตตาแห่งธรรมบังคับบรญชาไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมงอกปัญหักอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งใครเห็นใครรู้จะบังคับไม่ได้ไม่เขาเชิงจินโดยสมมุติจังหวะให้รู้จักสมมุติจินจิสมมุติบัญญัติปร r a m a t b ัญญัติอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติบัญญัติตี่ข้อเรียบควรศึกษาเรียกควรปฏิบัติให้เกิดให้เป็นให้มีในจิตในใจของเราทุกคนทําได้แบบนี้